กานมุทนาสาธารณในท่านสาธชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องวัสการสูตรคือสูตรที่วัสการพระา ม, มากราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าทมไมหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันกลัลนตกานิวาปัสสถานในกรุงราชชึกซึ่งเป็นพระรามแห่งแรก ในพระพุทธศาสนานั่นเองวัสการพรามซึ่งเป็นมหามหาขนาดหมามาตผู้ใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารได้เข้ามาเฝ้าพระภูมีรพระภาคเจ้าหลังจากผ่านการสนทนาปราศัยกันตามตำเนียมแล้วก็ได้กราบทูลมติความเห็นในหมู่พราม ถึงข้อกำหนดความเป็นมหาปราชญ์มหาบุรุษมหาบัณฑิตเอาไว้แล้วขอให้ผู้เจ้าส่งวินิจฉัยว่าจะส่งเห็นชอบหรือว่าจะปฏิเสธคุณสมบัติสี่ประการนั้นข้อแรกก็คือความเป็นผู้สูตรข้อที่สองก็เป็นคนที่มีความรู้ พาสิต์และความหมายของพาสิทธ์ข้อที่สามเป็นคนที่มีสติสามารถระลึกรู้สิ่งทั้งหลายข้อที่ีมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการงานของผู้ที่ครองเลือนและกราบทูลถามพระพุทธเจ้าทรงใช้คำอันโมธนานะฮะมากก่มาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่อันโมทนาแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็แสดงคนที่เป็นมหาปราชญ์มหาบุรุษมหาบัณฑิตไว้ด้วยคุณสมบัติสี่ประการเหมือนกันในคุณสมบัติทั้งสี่ประการนั้นประการแรกก็คือเป็นคนที่บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอุทธรต่อชาวลก คือประโยชน์เกกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่สองสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้คือต้องการจะคิดเรื่องอะไรหรือไม่คิดเรื่องอะไรก็ควบคุมความคิดไปได้ห้ามความคิดไปได้เรื่องที่เราไม่ต้องการคิดก็ห้ามไปได้เรื่องที่ควรคิดก็คิดได้ประการที่สาม เป็นคนที่สามารถปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้บรรลุฌานสี่ได้โดยไม่ยากประการที่สี่เพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุที่เรียกว่าเจตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตอัหาอสาวะไม่ได้ปรทรงแสดงว่าคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้แหละตามบุคคลเป็นมหาปราดเป็นมหาบัณฑิตเป็นมหาบุรุษ พันวัสการพรหมณ์อินด้วยแล้วก็แสดงความชื่นชมอนโมธนายอมรับว่าคนที่มีคุณสมบัติสีประการในนี้มันก็มีพระพุทธจนเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าจึงเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบัณฑิตแล้วก็เป็นมหาปราชญ์การถามปัญหาในแนวนี้ยานีเคยบอกไว้ว่าแนวการถามปัญหาที่จริงมันถามหลายแนว แนวหนึ่งถามเพื่อสองสิ่งที่เราสงสัยเพื่อให้อาศัยคําตอบของท่านขจัดความเครือบแกร่งสงสัยของเราแนวที่สองนั้นเป็นการถามเพื่อต้องการจะเทียบเคียงดูว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มานี่ตรงหรือเปล่าประการที่สามก็ถามเพื่อต้องการจะทดสอบ สอบคนที่ที่เราถามว่าเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อ ง, งนั้นจริงหรือเปล่าในประการที่สี่ก็อาจะสอบถามเพื่อต้องการจะตอบเองแบบครูถามนักเรียนถามดูแล้วก็ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็จะตอบให้ตัวเองประการที่5้านั้นถามในลักษณะดูหมิน่นผู้ตอบก็ มั่นใจหมายใจนะฮะว่าผู้ตอบคงตอบไม่ได้แก้ไขจะต้องการหักหน้าคนตอบถึงปัญหาลักษณะนี้มันก็เกิดขึ้นมาตลอดพระเจ้าจะทรงมีวิธีตอบอยู่สี่วิธีวิธีแรกนั้นคือยืนยันยืนยันไปโดยนัยยะนั้นๆั้นเปนว่าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีถูกก็ถูกผิดก็ผิดคือยืนยันไปเลย แนวที่สองเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้จะต้องมีการแบ่งแยกว่าอะไรเป็นอะไรก็ เ, เรียกว่าแบ่งแยกตอบไปประการที่สามนั้นจะใช้ใช้ปัญหาของเขานั้นถามเขากลับไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปของเขาตอบที่จะใช้คําว่าเอาผลไม้ปาผลไม้ อาจายซื้อขนมยายนะจำนวนเราก็คืออาจายซื้อขนมยายอีกอย่างหนึ่งนั้นพุทธเจ้าไม่ตอบการไม่ตอบนั้นคือหนึงคือเรื่องเรื่องนั้นไร้ราสาระสองวุฒิภาวะของผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถเข้าใจไม่สามารถเข้าใจเรื่องอย่างนั้นได้พุทธเจ้าก็จะไม่ตอบหรือบางครั้งบางครั้งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการตอบ ดึงจิตออกห่างจากประเด็นหลักๆกออกไปก็จะไม่ตอบเรื่องกระทำปณิยักปัญหาของวัศการละพรามนั้นเป็นปัญหาแบบที่เรียกว่าขออนุมัติหมายความว่าความเห็นนี่มันมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแสดงพื้นฐานการยอมรับนับถือศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าต้องการให้พระเจ้าช่วยช่วยวินิจฉัย ่ทที่คิดกันมาที่พูดกันมาสีข้อ น, นี่ถูกต้องหรือไม่ข้อนี้พระอาจารย์ท่านอธิบายนะท่านอธิบายว่าที่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ทรงปฏิเสธไม่ทรงรับรองเนี่ยเพราะจริงๆมันเป็นคุณธรรมที่ดีแต่ว่าเป็นเรื่องระดับของโลกียธรรม แล้วพอดีท่านวัศการพามท่านใชก้กรมมามหมาบุรุษมหมาบัณฑิตมหาปราดมั น, ม, นลลมันยอดคนแล้วมันยอดคนแล้วคุณธรรมสี่ข้อขนาดนี้มันไม่ทําให้คุณเป็นยอดคนได้หรอกแต่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่คุณธรรมก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่อนุโมทนาเพราะว่ายังไม่มีนยะสมบูรณ์ยังไม่มีนยยะสมบูรณ์ตามคําที่เรียกว่ามหมาบุรุษ หมาปราหรือหมาบัดิตแต่เราสังเกตว่าจริงๆธรรมะทั้งสีข้อนี้ก็ปรากฏในองค์ธรรมต่างๆเช่นในน า, านาถกนธรรมที่เราเคยศึกษามาก็มีคุณธรรมเหล่านี้ครบอยู่ในน า, านาถกนธรรมเอือธรรมะอันเป็นที่พึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวของบุคคลแต่ละคนประการแรกนั้นคือโพสุร การศึกษาสดัตว์ฟังเรียนรู้มีประสบการณ์มากอันนี้ทุกเรื่องไงนะเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจนั้นมันเรื่องเราไม่รู้เพราะการศึกษาจึงเป็นการเพิ่มผนตัวรู้ขึ้นเพื่อขจัดความไม่รู้การศึกษาจึงปรากฏอยู่ในที่ต่างๆก็เรียกได้ว่าทุกแข่งไปใช้คำยังไงแต่นั้นเอง ในที่นีส้ส่งสอนในแนวของท่านแสดงในแนวของปูสูตรเราพบ ว, ว่าปูสูตรมันก็มีในมงคลสูตรนะฮะพระอสัจจัญญสิปัญจก็มีในมงคลสูตรหมายถึงเป็นคนที่ศึกษาสัตย์ปรฟังมาในเรื่องเหล่านั้นมากแต่กำหนดเป็นคุณสมบัติไว้ห้าห้าระดับทุกแห่งนะฮะจะปรากฏห้าระดับ นอกจากเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสโดยตาดูหูฟังเป็นต้นแล้วเนี่ยยังต้องสามารถทรงจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้คือหมายความว่าจำความจามจดีเป็นคุณภาพของจิตดีเพราะความจำนั้นคือสัญญาสัญญาก็เป็นขันหานะฮะในหนึ่งในขันหะเป็นงานของจิตท่านเรียกสำนวนบาลีวัเจตสิกธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต ประสบการณ์ต่างๆที่เราผ่านพบมาเรามีความทรงจําได้แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักการจำขาดจำขัญต้องแม่นนะฮะต้องท่องมันเป็นสูตรสูตรทั้งหมดให้เราสังเกตว่าสูตรธรรมะสูตรฟิสิกสูตรเคมีสูตรอะไรต่างๆนี่ต้องท่องต้องแม่นแม้แต่สูตรข้าปราอาหารทั้งหมดนี่ต้องแม่นทั้งนั้นนะฮะแต่บางคนแม่นจนเป็นอัตโนมัติปรุงอาหารที่ไหนก็ได้กลิ่นแล้วก็รู้ทันทีเลย อั น, นี่แสดงว่าแม่นมากมันก็เป็นสูตรอะพวกนี้เราเราเราเราทําอย่างอื่นไม่ได้นอกแก่ท่องไว้เพียงแต่ว่าบางทีนี่ท่องปฏิบัติจนชำนิชํนานาญคล่องแคล่วแล้วหยิบปั๊บปั๊ปับป๊ บ, บ, บมันกลายเป็นสูตรไปแล้วก็นําเรื่องโน้นนั้นมาคิดเขาเรียกว่ามานาสาวุเบกีตาคือนําเรื่องทั้งหมดนี่มาคิดก็เป็นงานของจิตอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจินตนาคือจิตจ่ไม่มีงานใหญ่อยู่สี่งาน หนึ่งคือรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสโดยการดูได้การเห็นสองก็เก็บคือจําอารมณ์ได้แก็สัญญาสามก็คือคิดอารมณ์ได้แก็จินตนาแดะความคิดแล้วก็สี่ก็คือรู้ได้แก็ตัวปัญญางานหลักของจิตมันก็มีอยู่สี่งานเพราะงั้นตรงนี้ที่จริงก็คืองานจิตนำเ่านั้นลำสิ่งเ่านั้นมาคิดเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ของจิตด้วยแล้วก็ของหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วยทีนี้ไอาการจะคิดยังไงเนี่ย่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราจำอะไรเรียกหมายความเรารับอะไรเราก็จำสิ่งนั้นจำอะไรเราก็คิดสิ่งนั้นคิดอะไรเราก็รู้สิ่งนั้นมันมั น, ม, นมันเป็นกระบวนการทางจิตอยู่ในเรื่องเดียวกันเพราะงั้นปัญหาสำคัญว่าประสบการณ์ต่างๆที่มีมากมายนั้นเรามี ปัญญามากพอหรือเปล่ามันสร้างความแหลมคมไม่เกิดขึ้นไปในจิตใจหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเรียนอะไรมากมาย ก, กายกองในลักษณะที่เรียกว่าความรู้ทุกโมตัวไม่รอดมันก็มีมาความที่ยิงประสบการณ์เยอะแต่ว่าคิดไม่เป็นหรือว่าคิดแล้วมันก็ไม่สามารถจําแนกแยกแยะอะไรเป็นอะไรให้มองเห็นเป็นกระบวนการได้แล้วคิดจนเกิดเป็นความเข้าใจ ท่านใช้คำว่าขบเจาะด้วยจิตจิตความคิดความเห็นของตนเป็นความรู้เห็นด้วยปัญญาหมายความว่าสามารถจะใช้อะไรก็ตามสื่อสารในสิ่งที่ตัวเข้าใจคือคนที่มีความสามารถคือคนที่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะฮะไม่ใช่เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายคนที่ทำเรื่องเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเรื่องลึกก็เป็นเรื่องตื้น ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคือเข้าใจในเรื่องหลอดนั้นบางทีเรื่องเรื่องงานนิดเดียวนะทำจะยากอันนี้แสดงว่าเาก็ไม่ไม่เข้าใจการใช้ภาษาการใช้อะไรตามปกติแล้วคนที่เก่งตรงนี้จะใช้ภาษาได้ไพเราะใช้ภาษาง่ายๆภาษาได้ไพเราะสลัสลวยก็ความไม่สลับซับซ้อนอะไรแต่ไรเนี่ยลองสังเกตว่า อย่างในดวงรายการที่ห้าเนี่ยราชนิพนธ์นี่ภาษาไพเราะมากคำไม่ไม่นั่นแล้วฮะไม่ไมุ่งรังเจวความมันชัดมันเป็นภาพอธิบายอะไรเขียนเรื่องอะไรราชนิพนธ์ไกลบ้านไดๆเ น, นี่ยตํานานสงบสองเดือนเราจะเห็นว่าเป็นภาษาที่ง่าย mm hmm. นั่นก็แสดงถึงความเข้าใจในภาษาเข้าใจในสารัฐาของสิ่งดอนั้น ประการต่อไปนั่นคือตัวความรู้ที่จริงมามันก็เป็นการยืนยันถึงความเข้าใจท่านบอกว่ารู้ภาษิตและความของภาษิตภาษิตก็คือข้อความที่เขาพูดอะเรื่องอะไรก็ตามเช่นสมมติว่าเขาพูดว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือภาษิตแต่ความเนี่ยคือยังไงเราก็อธิบาย สามารถอธิบายได้ชี้แจงได้ก็ถือว่าเป็นความรู้ทั้งตัวภาสิตและความของภาสิตซึ่งภาสิตนั้นเป็นคำสั้นๆแต่จะองความไวมากแนวของพระเรานั้นจะศึกษาในแนวขยายความสุภาสิตที่ก็เรียกวิชาแต่งกระทู้นะฮะท่านทั้งหลายบางนจะได้ยินนะแต่งกระทู้กระทูขทะทนะนะ้ข้อความสั้นๆอย่างในพระเทศนะฮะข้อความสั้นๆนี้เดียว อามาเทศจะตั้งหลายชั่วโมง <c oughs> ก็เป็นการขยายความของสุภาสิตแต่ก็เสียอย่างนึ่งพระย่อไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาระบบย่อมาศึกษาระบบขยายที่จริงต้องย่อดได้ต้องขยายได้นะต้องย่อดได้ขยายได้ข้อ <c oughs> ความพิจารณายังไงในที่สุดจะยอ่อบนแนวากางการอธิบายของพระพุทธเจ้านั้นเราจะพบว่าจะไปย่อไว้ตอนล่ง นะจะจะขึ้นหัวข้อก็เรยกอุทเทศขึ้นหัวข้อก่อนแล้วจะนิเทศคือขยายยาวเหยียดเลยแล้วสรุปนิดเดียสรุปว่าสงสาบรรทัพข้างหลังนั้นแสดงพระเจ้าสอนทั้งขยายทั้งยอ่อเพื่อให้เรารู้ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะที่เราพูดเรื่องอัฏฐะพยัญชนะที่เราสวด น, นะฮะสาตัางสาพยัญชนะเกวระปริพุนังหมายความเราเข้าใจทั้ ง, ท, งทั้งตัวภาสิตแล้วทั้งความของภาสิต เจตตมเจตจำนงสาระถะเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นเข้าใจได้ตรงนี้ก็จะจะจะเห็นว่าที่จริงแล้วก็คือปัญญานะเป็นปัญญาระดับที่ช่วยให้คนเหล่านั้นวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้และประการต่อไปก็คือมีสติที่จริงสติเรื่องใหญ่นะฮะแต่ว่า ท่านวสการาพรามท่านอธิบายระดับสติที่สามารถระลึกเรื่องต่างๆท่านระลึกเรื่องต่างๆรู้รใจสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆและระลึกได้เป็นแนวประสิทธิภาพไม่มากนะฮะประสิทธิภาพไม่มากที่ท่านยกตัวอย่างไว้เพราะงั้นจึงไม่ใช่ทำให้คนเป็นหมาบุรุษด้วยสติระดับนี้นะฮะแต่ที่จริงสตินั้นก็ทาคนเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือพวกที่สติสมบูรณ์เพียงแต่ว่า ตอนวสการ佛法ท่านอธิบายท่านอธิบายสั้นกรอบมันแคบกรอบของคำว่าสตินี่มันแคบแคบ ก, ก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องประจําวันธรรมดาธรรมดานะธรรมดาธรรมดางานไม่เคยสลับซับซ้อนเป็นสติระดับศีลธรรมจัญญาสตินั้นเป็นธรรมะที่ต้องแทรกซึมอยู่ทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องมีสติอยู่ทั้งนั้นนะ่ ประการต่อไปก็คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการงานเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องชีวิตของผู้ที่ครองเรือนเป็นเรื่องท่านใช้คําคฤหัสถ์เลยนะครัคฤหัสถ์ที่คฤหัสถ์จะต้องจัดจะต้องทําจะต้องปฏิบัติสําเร็จทุลุ่มไปสลัดในการจัดอะไรทําก่อนทําหลังทําเร็วทำช้าอะไรแต่ไรนเะนี่ยก็สามารถที่จะทําการงานเหล่านั้นสําเร็จตุลุ่มไปไ ด, ด้วยดี เป็นธรรมะปฏิบัติระดับครองเรือนก็ไม่ใช่ทาให้ถึงคนเป็นหมาบุรุษเป็นหมาบัณฑิตเป็นหมาปราดอย่างที่ท่านยกตัวอย่างจริงๆแล้วถ้าเราดูในที่อื่นนะฮะถ้าคาไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ระดับหมาบุรุษหมาบัณฑิตหมาปราดแล้วมันก็รับรองอยู่นั่นแหละเพราะว่าเป็นธรรมะในพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าคามันใหญ่แต่ว่าเนื้อหาเนี่มันเล็ก จะปฏิเสธก็ไม่ได้นะะแต่รับรองก็ไม่ได้มันมันเป็นเป็นเรื่องเขตผลด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ทำอะไรให้คนรู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างที่เราลองสังเกตว่าประสูนย์บางประสูนร์คนที่มีปัญหาประพฤติตนแบบโค บ, บ้างแบบสุนักบ้างมากราบทูนถามว่าได้บุญจริงหรือเปล่าตายไปแล้วบางคเกิดในสวรรค์จริงหรือเปล่ า, าพูดไปมันก็เือ น, น้ําใจคน พุทธเจ้าจะไม่ตอบปัญหานในลักษณะนี้เขาพยายามขอร้องอ้อนวอนให้ตอบก็เป็นความสมัครใจของเขาขอให้ตอบพระุทธเจ้าก็จะตอบไปตามความเป็นจริงแต่ว่าโดยอัตยาศัยแล้วจะไม่ตอบในเรื่องใหญ่ในเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจให้แก่คนหมายความว่าถ้าหาขานไปเลยบอกมันไม่จริงอ่ะมันก็ไม่ได้ก็จริงๆมันจริง จริงเป็นจริงระดับของศีลธรรมจัญญา ร, ระดับของผู้ครองเรือนซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้แต่ตรงนี้เราดูอีกทีหนึ่งนะฮะจะเห็นว่ามันก็มีปัญญามีสติมีความสามารถแล้วก็มันก็อะไรละอย่างระบบการใน ก, การศึกษาที่เราพูดในปัจจุบันรู้ดีคิดดีสามารถตีประพฤติดีนะ มันมัมันก็เป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องจากธรรมะสี่ข้อนี้ซึ่งก็มีอยู่ในพวกนาถากนาธรรมทีนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติอีกสี่ข้อเป็นคุณสมบัติของมหาบุรุษจริงนะฮะเพราะว่าคนใครก็ตามที่บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลเก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขเก่ชนเป่วมากเพื่อเป็นการอนคราะต่อชาวโลกนั้น พื้นฐานจะต้องมีมีสิ่งที่จะเกื้อกูลแก่เขาหมายความว่าถ้าเกื้อกูลในทางวุฒิปัญญาตัวเองก็ต้องมีปัญญามากแล้วคนมันมีความสลับซับซ้อนของความเป็นคนจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อเขาในคนที่ทาใจทำงานได้อย่างนี้ใจก็ต้องบริสุทธิ์ เพราะเป็นการทำงานโดยมุ่งผลประโยชน์ที่คนอื่นไม่ใช่มุ่งผลประโยชน์ที่ตัวเองเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าอัตยาศัยไม่ดีพอแล้วก็แล้วก็ยากทมตัวในฐานะที่เป็นผู้ให้ตลอดก็โครงสร้างเดียวกับคำที่เราเคยคุ้นๆเราเคยได้ยิน นะการเกิดของพระพุทธเจ้าการสัสรู้พระธรรมการส่งประสงฆ์ไปประกาศระศาสนาใช่ประโยชนเดียวกันข้อความเหมือนกันนะเธอตั้งหลายจงเที่ยวใจริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพือเ่อบการปกครองต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นงานของบุปกา ร, รีเป็นปูชนียบุคคล ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าอย่างเมื่อวันในวนันเมื่อวานในวันครอบครัวนี่ยบุปกา ร, รีนั้นเป็นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นธรรมะแต่ว่าวงมันแคบลงคือภายในครอบครัวห้ามปรามลูกไม่ทาความชั่วให้ปฏิบัติความดีให้ศึกษาศิละปะวิทยามอบทรัพย์สมบัติให้ตกแต่งใหมีครอบเป็นครอบเป็นกลุ่มฝังไปฝนะพ่อแม่เนี่ยมันทําประโยชน์เกื้อกูลแต่ว่านั่นก็คือก็ก ค, อกคือวงมันแคบ มันแคบภายในครอบครัวแล้ถ้าท่านมีความสามารถกว่านั้นก็พูดถึงสกุลเมื่อขยายไปสกุลแต่ก็วงมันก็แคบอยู่นั่นแหละเพราะว่าจะเรียกว่าหมาบุรุษคงไม่ได้แต่หมาบุรุษในครอบครัวในจุดเล็กๆนั้นก็ได้ส่วนของพระพุทธเจา้านั้นเป็นการทาประโยชน์เพื่อโลกตรงนี้เราสังเกตไวยช้คำว่า ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเปน็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนนัมากเพื่อเป็นการอุเบกต์ต่อชาวโลกเป็นความรู้สึกเสมอกันในคนในสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าเป็นเมตตากรุณาที่เสมอเหมือนกันซึ่งซึ่ ง, ง, งที่จริงทำใจา ย, ยากมากสังคมไทยเราเองนะฮะสังคมไทยเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมพุทธเนี่ยมันน่าน้อยใจว่า ในวงการของผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมแม้แต่พระพิสุสามเนธเองเมันก็มีการแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใจมันไม่สาโกลนะ่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็นั่งสะเพรตามันไม่แน่จริงอะ่ะคือใจมันไม่ไปปากมันไปแต่ใจมันไม่ไปนั่งสะเพรตาสะเพรตาด้วยตบยุงไปด้วยนะฮะะเพรตาคือแสดงว่าใจมันไม่ไป ใจใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใจหมาบุรุษหมาบูรุษใจต้องสากุลหมายความว่ามองสิ่งชีวิตทั้งหลายเป็นผู้ที่ควรเกี่ยวการเมตตากรุณาอย่างผู้เจ้าท่านมองในท่านมองด้วยความเมตตากรุณาเพราะงั้นตรงนี้คือหมาบรุษคนอื่นคิดไม่ได้คิดได้นะฮะแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปถึงเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ตัวเรากับพวกเรากับพวกเขาเห็นไม กับพวกเราพอทําได้เพราะพวกเขาเกิดทําไม่ได้มันจะมีโทสะมันจะมีมัจฉริยะมันจะมีริษยามันจะมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมาสกัดการห้อยเราทําไม่ได้แต่ถ้าเราไปแจกของอะไรนะะแจกของนีมน่มันบางทีใจถ้าไม่สากรของอักติอักติคนนั้นคุณก็หยิบทิ้นดีๆนะก็นั้นไม่คุณก็ส่งส่งไป คนนั้นไม่รู้จักก็แจกแจกไป แ, แต่ทำยังไงว่าใจมันสากลได้แล้วความแจกเขาคือแจกไปแจกคือแจกไม่ไม่ได้สนสนใจว่าคนนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักเราก็ทำเสมอหน้ากันพื้นฐานตรงนี้จึงเป็นพื้นฐานที่เป็นอุดมการเป็นชีวิตอุดมการเป็นการทำประโยชน์แก่คนอื่น เพราะคนอื่นมันมากกว่าเราอะ่ะเรามันก็ตัวเล็กนิดเดียวเราก็กินเท่าที่เรากินได้เราก็อยู่เท่าที่เราอยู่ได้แต่ว่าคนอื่นนั้นจะมีจานวนมหาศาลเพรา ะ, ะนัานคสอนในแนวนี้จึงเป็นการระดับโทัว่วไปเราจะเห็นว่าก็คือแนวสังคมสง เ, เคราะห์ช่ยเหลือกือกูลแก่สังคมเป็นปราหิตะประโยชน์คือประโยชน์ที่กื้อกูลแก่บุคคลอื่น ตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นผลนะฮะที่จริงเป็นผลจากการปฏิบัติจะเกิดมาอยู่ข้างบนเกอยู่ข้างบนว่าหมายความว่าต้องปฏิบัติสามข้อข้างล่างได้แต่ก่อนจิตเมันจึงมาอยู่ในจุดนี้ได้แต่ทรงวางไว้ข้างบนทําไมวางไว้ข้างบนให้เราสังเกตวางไว้แนวของอรยิยสัจวางไว้แนวนิโรธแนวผลที่มันออกมาก่อนแล้วก็พูดถึงเหตุเพราะว่าจิตมันมั น, ม, นมันจะต้องผ่านขั้นตอนไอ้สี่ข้อมาก่อนสี่ข้อที่ว่าแล้วกันสามข้อข้างหลังก่อนจิตจึงจะเป็นอย่างนี้ได้ หมายความมาภาคปฏิบัติเราจะทําประโยชน์เกื้อกูลแก่นคนอื่นได้มันมนมันจะต้องเราจะต้องบรรลุผลประโยชน์เพื่อตัวเราก่อนหมายความาว่าเรามีสมบัติก่อนเรามีสมบัติจะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมแล้วลองกลับไปดูหลักว่าพระพุทธเจ้าเองเห็นไหมพระพุทธเจ้าเองท่านก็ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้มาก่อนเจดข้อเจดข้อเนี้ยแล้วก็จึงมาทํางานในข้อที่ข้อแรกในตรงนี้คือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่นชนมิ่งมากโดยการเสด็จไปโปรดหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย ทีเจ้าส่งไปเผยแผ่ศาสนาท่านก็ทำตรงเนี้ยเจ็ดข้อเนี้ยได้ก่อนแล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นก็คือชีวิตที่ทําตนเป็นประโยชน์เกื้อกูลในชนเป็นมากเพราะตรงนี้มันมันมันเป็นปร ะ, ย ะ, ประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลหลอกคนเหล่าด้วยการเน้นย้าให้เห็นว่าถ้าเธอต้องการอย่างนี้เธอก็ต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้เธอจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็พูดถึงผลก่อนแบบ แบบบริษัทนะฮะแบบบริษัทแบบทุกกนส ม, มุทรไทยนิรโรธกอนมลักษณะคำสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้คือจะพูดถึงถึงผลก่อนเหตุหรือไม่งั้นก็แสดงเฉพาะเหตุผลไม่พูดเพราะผลเป็นเรื่องสัมผัสตรงนะฮะที่จริงถ้าเราไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดอะไรเกิดมาประการต่อไปคือความสามารถในการควบคุมเขาเรียกว่าฉลาดในวิตกบท สำรวจบาลีนะตลาดในวิโตกเป็นอาการทางจิตที่พูดเรื่องจิตตะกี้ว่าจิตรับอารมณ์จิตเก็บอารมณ์จิตคิดอารมณ์ตรงเนี้ยตัวตัวคิดเนี่ยตัวคิดคือจินตนาตัวความคิดเนี่ยเราถ้าถามว่าจิตมันเก็บอะไรไว้แต่แต่ละวันเนี่ยจิตเก็บสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเต่นั่นเองนะถ้ารวมแล้วก็สามอย่างมาความสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งทีงงง่กลางกลางสิ่งเรื่องกลางไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอะไร สิ่งที่มีปัญหาคือดีกับไม่ดีที่พระเจ้าทรงเน้นว่าอิทธารม์กับอนิธารม์คื อ, อรมที่เราพอใจกับไม่พอใจก่อให้เกิดความชอบความสั่งมันก็อยู่ภายในใจเราเพอคิดถึงคนเห็นไหมแล้วมันร้อนหมดเลยคิดด้วยความรักก็ร้อนคิดด้วยความโกรก็ร้อนแล้วบางทีเราก็คุมความคิดไม่ได้ย้อนคิดไปตั้งแต่โบราณคนที่รักตายไปตั้งยี่สปีแล้วพอพูดมานั่งร้องให้ วงไฟน้ำตาะไรอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเราคุมความคิดไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่จริงๆแล้วมันเรื่องมาตั้งนานแล้วปัญหาของคนเราจึงเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวความคิดที่ท่านสอนด้ระมัดระวังในเรื่องความคิดแม้แต่เรื่องของการบวชนะการเป็นนักบวชที่ว่าเนี่ยก็เรียกว่าสังเโรอสัญญมะคือสำรวมระวัง สำรระวังที่สำรวระวังมากที่สุดก็คือตัวความคิดว่าพันยังไงว่าอะไรก็ตามที่คิดไปแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความเร่าร้อนจะไม่คิดแต่คนแปลกนะชอบคิดเรื่องที่ที่ตัวเองจะร้อนสมมุติเราทำความดีอะไรก็ใส่ไว้ไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่หรือว่าคนทำความดีกับเราเราไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ แต่คนทำมาเราโกรดนิดเดียวคิดอยู่ยนั้นบบเป็นวักเป็นเวนคิดแล้วคิดอีกอยู่นอนก็มือกายหน้าผากวิตกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้จะแก้แค้นอย่างนั้นอย่าง น, น, งนี้แล้วผลสุดท้ายก็จุดไฟขึ้นเผาใจตัวเองแนวความคิดจึงมีอยู่สองแนวให้ลองสังเกตว่ามันมาตากมันมาจากกิเลสเรา ความคิดที่ไม่ดีท่านเรียกว่ากามมีตรวคือจดึกนึกถึงสิ่งที่เราใคร้ด้วยอำนาจของความไคร้ความอยากได้ความปรารถนาความต้องการอะไรก็ตามฮะให้ให้ให้ใหัว ใ, ใจมันไม่สงบใจมันดิน้นใจมันพล่านใจมันกระสรับกระสายไปตามอารมณ์ที่เราไคร้เราปรารถนาเราพอใจและจริงๆอารมณ์เหล่านั้นมันมันเป็นอนาคตอะ บางทีเป็นอดีตบางทีเป็นอนาคตแล้วเราก็นอนอยู่อีกแข่งหนึ่งไปคิดถึงเรื่องอีกแข่งหนึ่งมันมั น, ม, น, ม, นมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่คนก็ชอบคิดตรงนั้นแต่คิดเรื่ความอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอดีตมานะความมีการกระทบกระทั่งความไม่พอใจความขัดเคืองกันมาในอดีตเลาก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็นํามาคิดแค้น จะโตอตอบจะทำลายจะต่อสู้จะขัดขวางจะหักคานกันก็จุดไฟกัเพอใจตัวเองก็วิหิงสาสังกปะคือคิดในแนวเบียดเบียดเป็นถ้าเราดูให้ดีนะฮะเราดูให้ดีว่าลึกๆแล้วนะมันเป็นสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกที่ชัดมากเลยัะ เห็นเห็นชัดมา ก, กว่าค่อนข้างสาโกนสัตสัตว์โลกมีวิหิงสากริษยาเป็นสัญวชาตยานดิบของสงัตว์โลกแล้วลองสังสังเกตสมมุติว่าข่าวข่าวเขายกย่องใครว่าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อร้อง ย, ย, อยีเยอะเลยยีเยอะเลยแต่พอพูดถึงความชั่วแล้วก็โจนขย้ำเลยมันในอารมณ์ทันทีเลยเชื่อหมดทุกตัวอักษรเล ย, เลยหนังสือพิมพ์เขียนอย่างฉันเชื่อหมดเลยเป็นสาระคของฉันเลย แต่พูดถึงความดีไม่มีทางรับอะะรับ 50% ก็รับไม่ได้แหละใจมันไม่รับใจมันไม่รับเห็นไหมว่าทําไมใจไม่รับเพราะว่าความดีของบุคคลอื่นนั้นถูกริษยามันขวางไว้ใจมันไม่ไปอ่ะอะไรมุติตาไม่เกิดมุติตาไม่เกิดเพราะว่าใจมันถูกขวางไว้วนริษยาเพราะความชั่วนี่มันสะใจมันเกิดมันมันไปสนองวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนเราเนี่ยมนุษย์มันชอบเบียดเบียนอยู่แล้ว ชอบเบียดเบียนซ้ำชอบชอบซ้ําเติมชอบเหยียบย่าคนอื่นอยู่นะก็กระโจนขขยำเพราะมันได้มันได้มันได้เชื้อเพิ่มนะคือริษยาไอไอความคิดเบียดเบียนเนี่ยมันได้เชื้อเพิ่มนั้นก็กระโจนออกไปเลยเพราะว่าความคิดในแนวนี้เราสังเกตว่ามันมันมันจะมีอยู่ภายในใจเราอยู่เรื่อยริษยาวิหิงสาริษยาวิหิงสาริษยาวิหิงสา ตรงนี้ให้เราสังเกตนะเขา ไ, ะไรเร า, เาไม่ได้ทําอะไรเราเขาไม่ได้ทําอะไรเรานะฮะแต่เราแต่เราคิดเบียดเบียนเขาเองเราคิดริษยาเขาเองซึ่งผิดกับพยาบาทพยาบาทเนี่ยเขาทำให้เราโดดเราจึงพยาบาทแต่ริษยาไม่ริษยาเขาได้ดีของเขาแล้วเราอยากได้ซะเองเราอยากได้ซะเองเราจึงริษยาเขาวิหิงสาจึงเป็นความคิดเบียดเบียนคิดเบียดเบียนให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนู้น เห็นรถขับไปนั่งนั่งรถไปเห็นรถข่าวเรียกขับเร็ยกเรกมันอยากมันชนกันจริงคิดก็แล้วฮะคิดอยากดูมันชนกันมันเกี่ยวอะไรกับเราไม่รู้มันมันเกิดอะไรขึ้นมาอยากดูกันนี่ก็คือลักษณะจิตที่มันแตกให้เราสังเกตนะฮะความรู้สึกเหล่านี้เป็นอันตรายมากทั้งสองข้อนี่ทำลายโลกทั้งคู่พระเจ้าทรงแสดงว่าอารติโลกนาสิตาความริษยานั้นทําโลกให้พินาศ การเบียดเบียนกันก็ตามโลกกับพินาศเป็นความคิดที่เห็นชัดว่ามันมีโมหะแรงอยู่เบื้องหลังแล้วก็ริษยานั้นจะออกมาในรูปโลภะกับโทสะความเบียดเบียนก็เป็นอาการกับโทสะนะฮะเป็นอากา ร, ร, รกับโทสะกับโมหะแต่ว่าไม่มีผลอะไรธรรมชาติของของสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็หาคําตอบไม่ได้นะหาคําตอบไม่ได้อย่างที่ เล่าถึงพ่อกับลูกไปไปเที่ยวในป่าพ่อถือปืนลมไปยิงนกนกตัวกระจิดเลลูกถามพ่อจะพ่อจะทำอะไรจะยิงนกเอายิงยิงแม่มันตายแล้วลูกมันอยู่กับใครมันเหมือนเขามายิงพ่อตายแล้วผมจะอยู่กับใครเห็นไหมฮะลูกคิดได้ดีกว่าลูกคิดได้ดีกว่าพ่อเลพ่อก็เลิกยิงยิงสัตว์ตั้งแต่วันนั้นล นั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาคือเกิดความคิดเกิดปัญญาขึ้นมาอาศัยปัญญาลูกคิดคิดคิดง่ายๆคิดง่ายๆธรรมดาธรรมดาตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นอกุศลวิตุท่านเราสังเกตว่าเราห้ามความคิดตรงนี้ไม่ค่อยได้คนปกติจะห้ามความคิดตรงนี้ไม่ค่อยได้เป็นอารมณ์ค้างและเราเก็บมาคิดมาตึกนึกมาวิตุกควาวลมีอยู่สามเรื่องนี้ยุ่งอยู่เนี่ย อารมณ์ที่ดีที่ยริงมันก็มีคือใจเราต้องคิดอารมณ์ใจหยุดคิดไม่ได้นะฮะมันมันมันไม่มีที่ว่าพูดถึงจิตว่างเมื่อะไรก็ว่าไปอย่างนั้นเองนะจิตมันไม่ว่างหรอกแต่ว่าคำว่าว่างในที่นี้หมายความว่าว่างจากความชั่วแต่นั้นเองปูรวว่างจากความชั่วจิตต้องมีอารมณ์พระพุทธเจ้าเองก็ต้องคิดพระพุทธเจ้ามีโลกุตระกุศลนะรพระไทยของพระองค์เป็นโลกุตระต้องคิดนะฮะไม่ไม่มีหรอกจิตไม่คิดไม่ได้จิตไม่คิดมันก็ดับ จิตมันต้องอยู่กับเจตสิกมันต้องอยู่กับเจตสิกมันต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีความคิดมันก็ตายแล้วเราไม่มีอะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ต่างหลายท่านไม่มีความคิดไม่มีความคิดในทางไม่ดีแต่มาความความคิดท่านดีตลอดเห็นไหมจิตของพรหมก็อยู่ในรูปอาวจรมันก็คิดเรื่องดีแต่ว่าไม่คิดไม่ได้เราเพราะว่าธรรมชาติของมนะันน่ะคิดอารมณ์จำอารมณ์ คิดอารมณ์รู้อารมณ์แล้วก็ตัดสินอารมณ์เป็นเป็นเป็นงานทางจิตความคิดที่ดีก็คือคิดในทางที่จะถ่ายถอนกายจิตตัวเองออกไปจากเรื่องเหล่านั้นเราเห็นว่าประกายของความคิดบางเรื่องเนี่ยประกายความคิดบางเรื่องรามองภิกษุณีภิกษุณีท่านไม่คิดลึกซึ้งอะไรทลัยนะท่านคิดง่ายๆอ่ะอย่างภิกษุณีคนหนึ่งท่าน ท่านเป็นแม่บ้านน่ะท่านบอกว่าหลังหลังท่านนี่ต้องโก่งต้องคูเพราะว่าตํามตามข้าวตามข้าวซักผ้านะถูพื้นล้างท่านคนานนู้ทุกวันทํางานเนี้ยถูอย่างเี้ยทุกวันทํายังไงไอ้หนีหลังคู้ตรงนี้ได้นันคูตรงนี้ก็ออกบวช เ, นะเห็นไหมคิดง่ายๆอย่างคิดง่ายๆแล้วในที่สุดท่านก็บำเพ็ญเพียนท่านหนีตรงนี้เพื่อไม่ต้องหลังคู้สามเร แล้วท่านก็บรรู้ว่ผลเป็นปลาเห็นไหมความคิดเนี่ยธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเมาทำมาสิ่งที่เอามาคิดเนี่ยธรรมดาธรรมดาแต่ว่าท่านคิดปิดก็ดึงว่าอันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการได้ต้องการกินต้องการอยู่ต้องการทําอย่างนั้นเป็นเรื่องเป็นเครอะเป็นครัวเป็นเป็นหมกบุญบุ น, บนวาอยองนี้เรื่องอัไรแล้วก็ท่านก็ถ่ายทอดตรงนี้หรืออย่างที่เคยเล่าเรื่องเรื่องนางธรรมธินาพระธรรมธินาเทวี อันนี้มันพวกอัจฉริยะหน่อยมันคิดอย่างนั้นคิดยากหน่อยว่าจริงๆอ่ะสามีมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้หมดท่านมองว่าสามีทมน้ำลายใส่สีสาท่านท่านมองอย่างนั้นเว้ยคุณทาอย่างนี้มันก็ทมน้ำลายใส่สีรษาท่านนะฉันไม่เอาถ้าจะให้ก็ให้ฉันบวชนะไปโดนเลยคิดยากนะยคิดยากหน่อย คนทั่วไปไม่เอาเลยนะฮะวันนี้เที่ยวสบายเลยแต่เงินธบเศรษฐีนะฮะท่านวิสาขาประสขท่านเป็นพระราคามีพระราคามีนี่ที่จริงก็เป็นคารวะาได้คารวะามากกว่าพระนะแต่ท่านก็อยู่ที่บ้านก็เรียกคารวะาส ม, มุ น, นีไม่มีไม่มีความเกี่ยวข้องทางเพศเพราะว่ามันละกามราคาได้สังโยชน์ข้อที่เจ็ดนะฮะเราจะเห็นว่าท่านละสังโยชน์ได้เจดข้อไม่ใช่สังโยชน์ได้ห้าข้อมันจะเจ็ดข้อ ทงังยอดได้ห้าข้อข้อที่ห้านะฮะข้อที่สี่คือการมรรค า, คารมรรคาปฏิฆาทันละได้แต่ว่าท่านก็อยู่เป็นอยู่ที่บ้านเป็นคารวาสสมุนีนี่คือความคิดเห็นไหมว่าคิดที่จะดึงบางทีมันมันน่าไม่น่าจะดึงได้นะแต่ตั้งก็ดึงได้หรือว่าความคิดที่เคยเล่าของสุมเมศตุมเมศดาบทนะฮะสุมเมศดาบทรับสมบัติมาสามชั่วบรรพชนมาต้องทวดปู่พ่อ ลูกโทนทั้งสามชั่วคนสี่ชั่วคนรับสมบัติมหาศาลสมบัติสามชั่วคนมาตกแต่คนคนเดียวมันรวยขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ท่านถือว่าเป็นมรดกบาปพ่อแม่เองปูย่ย่าตาทวดเองก็ไม่ฉลาดได้เก็บรวบรวมไม่ทำอะไรก็ไปรู้ตัวเองตายไปก็ออกไปไม่ได้เรว ม, มาสร้างภาระให้แก่ท่านอีก แล้วท่านท่านท่านจะต้องอะไรท่านจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติท่านจะต้องปวดหัวกับคนจะต้องทํางานจะต้องมีสัตว์ตายไถนาก็มีสัตว์ตายทาํานองก็มีสัตว์ตายปัญหามันเยอะเลยไม่เอาเมื่อก็เห็นไหมพระเตมีเห็นไหมความความคิดพระเตมีนั่นคือดึงตัวเองจากกรมเป็นราชสมบัตินะฮะพระเตมีในราชสมบัติโอ้ย น, น่าอาวันมาเกิดตรงนี้อีกล้วเกิดตรงนี้แล้วยุ่งอีกแล้ววันก่อนในตกนรกไปทีนีกแล้ว เป็นประชาชนเมืองเนี่ยตกนรกไปจริงแล้วตอนนี้ฉันมาเกิดตัวนี้อีกแล้วก็โดนอีกเพราะงั้นดีที่สุด ก, ก็คือไม่เป็นประชาชนนั่นคือความคิดที่มองเห็นโทษของวัตถุกรมทั้งหลายแล้วก็พยายามที่จะถ่ายถอนกายจิตขตัวเองออกไปจากวัตถุกรรมอพยาบาทอย่างที่บอกว่าความพยาบาทนี่คนที่เราพยาบาทเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราพยาบาม แล้วในขณะนั้นเขานอนหลับยังไงอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้เลยแต่เราก็ร้อนร้อนร้อนด้วยแรงของพยาบาทเห็นไม่เป็นการจุดไฟขึ้นเผาตัวเองไอ้คิดมันทําไมท่านก็คิดด้วยความไม่พยาบาทคิดด้วยเมตตาทําใจสงบโดยเมตตาเมตตาไปในคนในสัตว์ท่างหลายแผลไม่ได้ก็ทําใจให้มีเมตตาอยู่ที่ใจเพื่อให้ใจมันเย็นใจมันสงบใจไม่ร้อนอาวิหิงสาสังกปะ เอาหญิงสานั่นคือการุณานะฮะกรุณาให้ให้ให้ใหท่านหลายลองสังเกตว่าถ้าพูด ต, นต้นตเนตีน่ยพระเจ้ามัพูดกรุณาการุณามันทํายากการุณาเป็นธรรมะที่ปฏิบัติยากถ้าเราไม่มีเมตตก่อนเราการุณาไม่ได้หรอกมันอะไรจะออกมาก่อนเบียดเบียนมันจะออกมาก่อนเบียดเบียนมันจะออกมาก่อนเช่นสมมุติว่านคนที่เราไม่ชอบขับรถชนเปรี้ยงเข้ามา มันน่ยสะใจรู้สึกสะใจซะก่อนแล้วะแตนที่จะเกิดกรุณามันมันมันเกิดวิหิงสาซะก่อนใจไม่ทันแต่ถ้าคนที่เราเมตตาเนี่เกิดกรุณาได้ทันทีเลยเห็นไหมว่าธรรมะจึงต้องสร้างตรงนี้ให้ได้ซะก่อนสร้างที่เมตตาให้ได้ซะก่อนกรุณาไม่เด็ดทีนี้ทํำยังไงพระเจ้าจะสอนในระดับของอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนซะก่อน อย่างทศพิราตธรรมเห็นไหมฮะทศพิรัตธรรมของพระราชาอาหิอาหิงสาเหมือนกันอิหิงสาโกธนโนอวิงสัญจะโกธนโนอวิงสัญจะขันตินจะวิโรธนังโกธนโนคือไม่โกรธก็คือไม่คือเมตตานั่นเองฮะเมตตานั่นเองแต่ว่าตอนนี้เอาแค่ไม่โกรธก่อนอวิหิงสาก็คือกรุณานั่นเองแต่ตอนนี้เอาแค่ไม่เบียดเบียนก่อน เป็นลักษณะของบันไดธรรมะที่จะนำเราก้าวขึ้นไปยืนอยู่ในจุดตึงหนึ่งที่เรียกว่าปลอดภัยประสมควรท่านลองสังเกตว่าความคิดสองกระแสนี้ที่จริงเรามีอยู่ตลอดปัญหาสาคัญว่ามันไปตกอยู่ในกระแสของอังกุศุนี้เยอะตกอยู่ในกระแสของตึกนึกถึงเรื่องที่เราอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนวนวุ่ น, นวายไปหมดไลย ตึกนึกด้วยอำนาจความมาคาดพยาบาทขัดเกืองไม่พอใจคนนั้นคนนี้คนโน้น mm hmm. ก็ไปไปที่ที่วัดป่ามาฮะไอนึกขำพระเนี่ยแกไปราคาญนกยูงร้องแกนอนไม่หลับไปราคาญนกยูงร้องเออมังคุลเนี่ยหาเรื่องดีจริงที่จริงก็เป็นเสียงแปลกที่เราไม่เคยได้ยินนะนกยูงมันก็นอนแล้ว ก, ก็น่าฟังไปอีกแบบแเออเสียงก็น่าฟังไปอีกแบบ แต่เราเกิดไปรำาข็งนีน่เรียกว่าใจมันสายไปสายไปหาเรื่องแล้วาเรื่องให้ตัวเองไม่ต้องหลับท่านที่เป็นหมาบุรุษจริงๆท่านคุมความคิดตรงนี้ได้หมายความว่าเรื่องอะไรที่คิดไปแล้วมันมีแต่ความมีตกกงังวลมีความเหือดร้อนมันไม่สงบนะใจมันไม่สงบใจเราเป็นศัตรูตัวเราเอง คนเป็นอเมรกาที่มองศัตรูจากข้างนอกแต่จริงๆได้ใจที่ตั้งไว้ผิดนะะใจที่ตั้งไว้ผิดจะเป็นศัตรูตัวเราเองโดยเฉพาะในกรณีนี้คือคิดผิดเรื่องไม่ควรคิดก็มาคิดคิดแล้วคิดอีคิดซ้ำคิดซากคิดอย่างนั้นอีกกี่ปีกี่ชาติก็คิดอย่างงั้นคิดใจก็มันก็เดือดร้อนอย่างนั้นเมือนก็เหมือนจับไฟทุกทีมันร้อนทุกทีทำยังไงจะเกี่ยวข้องกับไฟก็หลีกเลี่ยงใหญ่มันร้อนใช้ประโยชน์เอาเฉพาะใช้ประโยชน์กับมันแต่ไม่จะถึงให้มันลวกเรา ลักษณะอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นทังนนจึงสอนอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ทำกลางมิตรระวังวาจาปัญหาใหญ่ก็คือเราต้องแก้ที่ความคิดเราให้ได้ไม่มีใครก็แก้ได้นะฮะปัญหาจริงๆมันมาจากใจเราเราจะเห็นว่าที่ทรงสอนในแนวของความทุกข์ที่สุด น, นะนะะให้เราสังเกตจริงก็คือความคิดความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นนะ่ะสังคีตนะปัญจุปปัานกันธาตุขา กล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเนี่ยเป็นถุกถ้าใจไม่คิดไม่ยึดว่านั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ผิ่ถูกอะมาบรุษท่านฉลาดท่านคุมความคิดของท่านได้ว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดแล้วก็สลัดออกไปได้แน่นอนเราก็ต้องพยายามฝึกพยายามฝึกพยายามกระทำไปบ่อยๆกระทำเรื่อยๆ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเรานะเราต้องแก้ที่ใจเราที่ยุ่งยุ่งคือเราไปแจ้ไปแก้ที่ใจคนอื่นนะที่ยุ่งยุ่งมากๆนี่คือไปคิดแก้ใจคนอื่นประการที่สามในชุดนี้นะฮะประการที่สามที่จริงก็ข้อที่เจ็ดก็คือมีความสามารถที่จะทําใจให้เกิดความสงบแบบว่าศีว่าสีที่เราสวดนะฮะจำนานในการเข้า สมาธิชำนาญในการออกสมาธิชำนาญในการอยู่ในสมาธิชำนาญในการพิจารณาสมาธิมันมีความชำนาญในความชำนาญที่จะคุมจิตว้จิตมันสงบทำยังไงมันสงบนอนตวเนี้นอนแล้วนอนก็คือนอนเลยนอนคือนอนหน้าที่ของเราเวรนี้คือนอนเท่านั้นเองต้องสงบทำยังไงมันสงบได้ แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนสามารถบรรลุพวกฌานนะฮะพวกฌานปุสสมาธิเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานพวกฌานนั้นเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารหมายความว่าพอมีปัญหาอะไรท่านก็เข้าสมาธิเลยกาสมาธิมันก็พักกันนะะมันก็พักจิตมันก็พักตัดกระแสอารมณ์ไม่รับอารมณ์จากข้างนอกจิตไม่เหนียวนึกอารมณ์ข้างในก็จบละ จบเพราะว่าสิ่งที่มีปัญหาภายในจิตเราก็คือรับอารมณ์จากข้างนอกกับเหนียวนึกขึ้นมาจากข้างในเห็นมไหมเราปิดตาหมดแล้วแต่ว่าใจยังคิดนั่งสมาธินี่จริงๆก็อะไรก็ปิดหมดนะฮะผมมีแต่หูมีแต่หูก็ใจแต่ว่าใจมันยังคิดแม้หูไม่ได้ยินนะหูไม่ได้ยินในะใจมันยังคิดแต่ยังคิดมันก็ไม่สงบเพราะงั้นวิธีการของสมาธิ ก, ก็คือการปิดปิดตาหูจะมูลิ้นกาย นะแล้วก็รู้อยู่ที่ใจใจอยู่ก็รู้ใจอยู่กับสงบก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าออกมามันก็เจออี ก, ก น, นะเจออารมณ์อีกเพราะงั้นสมาธินี่มันมีได้ในขณะที่เราคข้าสมาธิออกมาจะเจออารมณ์มันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสามารถดึงกลับมาได้นะฮะสามารถดึงกลับมาได้คยะกับสิ่งที่เรามีความจำนิจจำนาน แม้จะไม่ได้ใช้นะฮะบทจะต้องใช้มันก็ทำได้เร็วกว่าคนที่เขาไม่เคยไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องหลดนี้ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องใหญ่เลยมันเป็นพระอาหารหันต์นะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของพระอาหารหันต์แล้วไม่ใช่เรื่องสามัญชนเจโตวิมุตตินี่นะฮะเจโตวิมุตตคือจิตหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสด้วยการเจริญสมถกรรมฐานก็หมายความว่า เป็นชื่อของพอระาารหัรนสองประเภทระหัรประเภทเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตต์เป็นคุณสมบัติที่ทำท่านผู้ประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับเนี่ยนะครับให้สามารถสงบนิวรณไปได้ในตอนตอน้นปัญญาวิมุตติก็คือยกจิตขึ้นพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นหรือมั่นนะ เป็นยึดมั่นถือมั่นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละไม่มีอะไรอ่ะมันยุง่งยุ่งมยุ่งยังไม่กี่เรื่องก็เราเข้าใจลึกๆเนี่ยการที่เรามีปัญหาตรงนี้ให้ลองสังเกตเราเข้าใจลึกๆนีใใเ่เราเข้าใจว่าเราไม่ตายเราเข้าใจว่าเราไม่ตายและสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นการหลงโลกหลงตัวแล้วก็หลงโลก เป็นเรื่องแปลกมากมคนไม่ค่อยนึกถึงจุดตายและถือเรื่องความตายเป็นอระมงคลบอพูดเรื่องตายหน่อยไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมันมงคลที่สุดในําตายตายเป็นมงคลถ้าเราจะเห็นว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์แล้วทาไมตายเป็นอัิมงคลทำไมก็แสดง่าเกิดก็เป็นอภิมงคลด้วยสอย่างัน แกก็เป็นอระมงคลด้วยที่จริงมันก็เป็นมงคลคือเป็นครูนะเป็นครูให้เราเรียนให้เราศึกษาชีวิตมันก็เป็นขบันอย่างเงี้ยและการจะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลมันก็อยู่ี่การคิดเราไ่อ่านหนังสือของพระอาจารย์ท่านหนึ่งมานั่งอ่านมาสองเล่มมาจบไปสองเล่มท่านแยกระหว่างจิตกับใจท่านบอกว่าจิตเนี่ย คิดอารมณ์รับอารมณ์คิดอารมณ์เก็บอารมณ์รู้อารมณ์อะไรต่างแต่ว่าใจมันอยู่นิ่งๆใจมันอยู่นิ่งๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองคำมันเป็นเรื่องสองมมติทางนั้นนะทั้งจิตทั้งใจเป็นเรื่องสองมมติทางนั้นก็บางทีท่านก็เรียกว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นใจอันใดจิตก็อันนั้นนะัเรียกเรียบคือคำได้ใช้แทนกันใ้แทนกันแต่ถ้ามอง ถ้ามองจิตเป็นตัวรวมถ้ามองจิตเป็นตัวรวมมาจิตมันเกิดขึ้นโดยลำพังเองไม่ได้นะฮะเช่นจิตโกรธเนี่ยมันจะมีจิตก็มีความโกรธมันอยู่ด้วยกันคล้ายๆกับตัวกกสะรอาอ่านวากาได้ต้องมีสะรอาอยู่ด้วยถ้าไม่มีสะราคุณอ่านวากาไม่ได้เห็นะเพราะจิตกับสิ่งที่ปรุงจิตเนี่ยเาเรียกว่าเจตสิกเนี่ยเขาต้องเกิดร่วมกันถ้าไม่นงั้นจิตมันก็จะไม่เป็นจิต จะไม่มีตัวความรู้จะไม่มีตัวการเก็บจะไม่ีตัวการการคิดหรือการจับมันก็ต้องมีเจตสิกที่เรียกว่าเกิดร่วมกันมีอารมณ์เดียวกันดับด้วยกันในการปฏิบัติตรงนี้ก็คือการที่จะขจัดสิ่งที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลนะมันก็มีเจตสิกแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกุศลที่ถาวอด คือจิตจิตเราตามปกติท่านเห็นเราจะแขว่งจะแขว่งโกรธบ้างออดีบ้างรักบ้างชังบ้างอยากได้บ้างไม่อยากได้บักก็แสดงว่าจิตมันแขว่งเป็นการต่อสู้เป็นสนามประลองยุทธของกุศลกับอกุศลของบาปของบุญมันก็ต่อสู้กันอยู่ในการวัดประเภทเจโตวิมุตติก็คือทําจิตให้หลุดพ้นจากกานาจของกิเลสเหล่านี้ให้ใจมันสงบจากกิเลสเหล่านี้ ตามปกติแล้วเนี่ยมันเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องขึ้นปัญญานะฮะต้องขึ้นวิปัสสนาคือส ม, มะถะ ก, กับวิปัสนาเนี่ยเขาอิงกันมันมันไม่ใช่ขึ้นไปลอยๆได้นะแต่วิปัสนาเนี่ยเขาไปได้เพียงแต่ว่าถ้าสายวิปัสนาตรงแล้วกิเลสมันก็หมดไปต่นนั้นเองแต่ท่านไม่มีความสามารถอะไรไม่มีความสามารถพิเศษอะไร พระอรหันต์ที่ทํางานสืบต่ อ, อยุพพุทธศาสนาเป็นพระหันรประเภทเจโตวิมุตนะฮะพวกพวกบรรดาวิมุตท่านท่นท่า น, น, น, นก็อยู่อย่างนั้นเลยนะฮะสอนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แต่กิเลสท่านไม่มีอะกิเลสท่านนั้มีท่านรู้ว่าท่านไม่มีกิเลสท่านนั่นเด็กเดี๋ยวช่วยคนอื่นนี่ช่วยไม่ได้เพราะท่านไม่มีความสามารถแต่ว่าทวนใหญ่แล้วจะใช้ทั้งควบควบคู่ เอความว่าบันไดขั้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่สมถะแล้วก็พอถึงขั้นหนึ่งก็ยกจิตขึ้นพิจารณาอารมณ์พิจารณาอะไรล่ะพิจารณาสังขารนี่แหละอะไรก็ได้นะก็เรียกนามรูปก็แล้วแต่ใครจะหยิบอะไรขึ้นมาพิจารณาใบไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้พยับแดดก็ได้คลื่นก็ได้กระแสน้ําก็ได้หยาดน้ําค้างก็ได้อะไรก็ได้นะให้เห็นความจริงตามปฏิลักษณ์แล้วก็น้อมเข้ามาหาเรา ดูจากข้างนอกน้องก็มาหาเราดูจากข้างในน้องก็ไปหาสิ่งทั้งหลายเห็นไหมเหมือนใช้ได้สองแนวอะแนวที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาเนี่ยก็ดูจากตัวนอกก่อนแล้วน้องก็มาหาตัวในคือน้องก็มาหาพระองค์บางทีก็ดูที่พระองค์เนี่ฮะน้องก็ไปหาน้อก็ไปหา เ, หเราก็รักทุกรักสุขไม่ต้องการความทุกข์คนอื่นสัตอื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์นั้นอย่าอย่าเบียดเบียนกันเห็นไหมมองจากเราแล้วไปหาเขา จนเป็นความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในที่นี้หนึ่งหนึ่งเดียวที่จริงมันก็หนึ่งเดียวด้วยกันเ น, นี่ยนะฮะปานาริปตตายแล้วก็นหนึ่งเดียวสเปสตาก็คือหนึ่งเดียวมหมายความมาเป็นเพื่อนทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันมองแบบหนึ่งเดียวคือเป็ น, เ ป, นเป็นนั่นเดียวกันแล้วก็แมวนี้ก็คือว่าอยู่ในสภาพเดียวกันคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตา จนสามารถลดละถ่ายถอนตันหามานะทิฏิตลงไปโดยลําดับนะฮะจนถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ส้งใจกงเามานะอาสวะไม่ได้บางคนเพราะเป็นพระหรหันแล้วนะเป็นผ่านไปแล้วหมายความว่าพอถึงจุดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ทดสอบว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาหรือไม่มันก็ดูที่อาสวะทันหมดไปหรือไม่อาสวะก็คืออะไรก็คือก็คือความคิดที่ทว่าตะกี้ ก็คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอเวสอสวะสางอนี้กามาสวะภวาสวะมันก็เกิดขึ้นจากการาตันหาแต่แต่ให้ลองสังเกตนะมันมันมีความคิดลึกๆึกว่าเราเราเป็นของเทียงแทยยง้ยังยังยืนที่เรียกว่าสัตตสติทิี่ยมนุษย์เรามีสัตตสติิฐิต้องนี้เข้าใจว่าตัวเองไม่ตายนะแล้วก็ตื่นคว้าเรื่อยไงคว้าเรื่อยเพือพ่อเพื่อเพื่อแสวงหาสิ่งตรงนั้นตถาเพรพโดยเพราะอวิชชาสวะ เพราะมีอวิชชาอยู่ภายในใจหลงโลกเข้าใจโลกผิดก็ใจชีวิตผิดและนั้นจึงทรงแสดงว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกนี้เป็นทางของความหมดสุดเห็นไเห็นไม่เที่ยงก็ได้เห็นเป็นทุกข์ก็ได้เห็นเป็นหน้าตาก็ได้เห็นอะไรก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเห็นสักอย่างเลยจะเห็นหมดตรงนี้จึงกลายเป็นมหาบุรุษจริงจรงเพราะอะไรเพราะว่า เป็นผู้ที่มีปัญญาสูงสุดมีความบริสุทธิ์สูงสุดแล้วก็มีความการุณาสูงสุดท่นวัศการาพราบนั้นเป็นอุบาสกแต่ไม่บรรลุมกผลอะไรนะฮะเดินนึกออกวัศการาพราบในไปยุแฟนวัชี้วยคนเนี้ยเห็นนะใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใกล้เครือกินดังวางแผนฆ่าเพื่อนตายตั้งเยอะเลยตอนตุลท้ายก็อยู่กับพระพุทธเจ้ามาก็ไปก็คุคคย นะแล้วก็ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเช่นพระขโมยเนี่ยพระขโมยประสมเหตุเนี่ยไปขโมยไม้หลวงไปขโมยไม้ในในเรือนหลวงพระธนยะไปขโมยไม้หลวงวัศการระพราวเนี่ยองฟองพระพุทธเจ้าอุฟองพระพุทธเจ้าแต่แกก็เกี่ยวข้องอยู่ตลอดนะครับพุทธเจ้าเราเรานึกดูว่าพุทธเจ้าไปอยู่ตรงนั้นก็แถวรรษาัาษาที่สอง หลังจากศัสรตแล้วแต่บรรทายสองแก่อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่สี่สิบสี่ปีนะฮะเราเนืด้ดยแตคุ้นเคยสนิทสนมพระเจ้าอยู่สี่สิบสี่ปีแล้วหลังจากนั้นอีกสามปีกึงแก่ประยุประยุวัชชีให้แตกอายุแก่สักเท่าไหร่แล้วอายุแกก็แก่แล้วนะเป็นคนแก่แล้วนะเป็นคนร่วมสมยัยก็คงจะอ่อนเปล่าพระพเจ้าไม่มากถ้าเราเทียบ ป, ปีแล้วเนะี่ยหมายหมายความว่ารู้จักพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่ สี่สิบสี่ปีกับสามปีเป็นสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดปีปีที่สี่สิบเจ็ดอ่ะแกไปยุวัดชีจนข่ากันตายเยอะแยะหม ด, ลดเลยเวลาพูดธรรมะไม่เบานะเราจะใจน่้เวลาเสนอเสนอธรรมะไม่เบาเลยแล้วก็อยู่กับกระเจ้ามาสี่สิบสามสี่สิบสี่ปีไม่ได้เรื่องอะไรแต่ละย่งจอมแผนอยู่เหมือนเดิมอจอมแผนคิดร้ายมุ่งร้ายคนอื่นอยู่เหมือนเดิม ทางๆที่ย่สิ่งที่นำนาเสนอนั้นก็ดีนะฮะสิ่ที่ธรรมะที่ท่านนำเสนอมาดีมันก็สะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างเราชีบเคียงการเวลาที่ท่านอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมคุยธรรมะกับพระพุทธเจ้าเราคุ้นเคยนะเป็นคนที่คุ้นเคยก่อนจะประรบธรรมะก็คุยเรื่องอื่นก่อนนะ โดยเรื่เกิดคือแสดงความคุ้นเคยสนทนาปราศัยถามสารลุกสุกดิบของพระพุทธเจ้าก่อนแสดงคุ้นเคยกันมากนึกนึกดูดสี่สิบกว่าปีเอามาอย่างนึกว่าตอนแกนไปยุนั้นอายุรํารวบแปดสิบประมาณไปยุคไปยุคเขาทะเลาะกันเนี่ยนะก็ยังไม่เคยกลัวบา ป, ปบกลัวกรมอะไรอะไรหรอกแต่ท่านก็รับรองนะรับรองว่าคุณสมบัติอย่างเนี้ยมันมันนั้นไม่มีในคนอื่น มันมีเฉพาะในพระพุทธเจ้าหมายความทั้งแปดข้อเนี่ยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าไอร้รวมแปดข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือคือปัญญานั่นเองเป็นหลักของปัญญาที่จบลงด้วยปัญญาเห็นไหมจบครั้งแรกก็คือศึกษาแบบผูสูตรจบลงด้วยปัญญาวิมุติข้อที่แปดเป็นปัญญาวิปุตรส่วน ข้อที่ทั้งหลาข้อที่ห้านะฮะที่ทําประโยชน์คือกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแจ่ชนเป็มากนั้นเป็นผลเป็นการดํารงชีวิตหลังจากเสริมคุณสมบัติเจ็ดข้อนี้ให้สมบูรณ์แล้วนะฮะแต่อย่าแต อ, อย่าไปติดจํานวนข้อมากนะฮะอย่าไปติดจํานวนข้อมากเพราะว่ามันแยกมาจากสองระบบเท่านั้นเองเพราะในสี่ข้อนั้นเองสี่ข้อแรกนํามารวมในสี่ข้อหลังได้เรียบร้อยนะเป็นธรรมะกลุ่มเดียวกัน เป็นกุศลธรรมนะกุศลธรรมเขาข้ากันได้กับกุศลธรรมทรั้งหลายแต่เราจะเห็นถึงแนวโน้มทางสังคมพวกคนในสมัยนั้นเวลาปราร่บไม่พูดเรื่องอื่นอ่ะมันไม่ได้พูดเรื่องยันตะไม่ยันตะอะไรแตร่ชาวาพุทธอย่างนี้พูดแต่ยันตะถึกแล้วยังยุ่งมายุ่งยุ่งกับเขาอ่ะเขาพูดธรรมะ เขาไม่พูดคนนะ่ะเขาพูดธรรมะแล้วก็ต่างคนต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันหมายความว่าฐันวสัส ก, การพรามท่าไม่เคยมั่นใจอะไรเท่าไหร่มันก็มาถามเทียบเคียงมาพูดแต่เจ้าเพื่อได้หลักเมื่อพระเจ้าไม่ปฏิเสธมาขอสี่หลักนี่ก็ใช้ได้แล้วถ้าได้อีกสี่หลักข้างบนนะก็ยังจําเป็นประโยชน์ใหญ่ในสี่หลักข้างบนนั้นเป็นปัจจัยของกันรายกันสามข้อ แล้วข้อที่ห้านั้นก็คือตัวผลเป็นวิถีชีวิตของเรียกว่าชีวิตอุดมการณ์นะเป็นวิถีชีวิตประเภทอุดมการณ์ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาะรวมอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นเราจึงพบพระธรรมเทศนาตอนสุดท้ายเห็นว่ายุติก็ตรงนี้ว่าสังขารน้านหลายเป็นของไม่เที่ยง นีเกิดขึ้นแล้มัความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทําประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ดีกว่าไม่ประมาทถึงเพราะงั้นประโยชน์บุคคลอื่นก็มาอยู่ในข้อที่ห้าในเรื่องเหล่านี้ประโยชน์ตนก็คือเจ็ดข้อในว่าเนี่ยเขาเาเขเรื่องเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยนะฮะพูดไปพูดมาก็เรื่องเดียวกันทนะั้งนั้นอย่างอ่านหนังสือหลวงปู่เทศมาหลวงปู่เทศพูดไปพูดมาทั้งก็มาสรุปอยู่ที่ศีลมาที่ปัญญาตั้งนั้นก็ใช่ฮะ จริงมาเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นผู้สักกี่ปีก็ได้นะมาอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นเป็นปริยายของธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงคล้อยตามพื้นเพจริตอัธยาศัยของท่านวัสการพรามและเป็นการให้หลักการวิธีการที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองเข้าสู่ลงการสูงสุดในทาง菩萨นา้นาเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าประหารทั้งหลายได้สัมผัสมา สำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่าน้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูดในธรรมจงมีแต่ท่านสาธารณายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านถืน